ยังมั่นคงยึดตามวิธีเราจอกน้อยหยิบยืนมิตรไมตรีท่องบทกวีอ่านคำพีโบราณ<ละ>เป็นตำนานเล่าขาน ม, มานานนม อยู่อาสมบุมชีวิตจิตวิญญาณเขียนบทเกวีวิธีถึงชาวอีสานลุกสำนึกจากผู้เกิดก่อนการให้ชาวอีสานรักจิงทานบ้านเกิดราชสี ดมกันสืบตำนานพิษธาต ค, ความเป็นธรรมนักคิดนักราคอยบ่งชี้นำสมญานามคือราชสีอีสารผู้คนเรียค้างบำรุงบุญปัญญา เปนตำนานเล่าขานมานานนมอยู่อารมบ่มชีวิตจิตวิญญาณเขียนบทเขาวีวิธีถึงชาวอีสานลุกสำนึกจากผู้เกิดก่อนการให้ชาวอีสานรา ราชาสีอผู้มั่งมีอุ ด, อดมการสืบตำนานวิทักความเป็นธรรมนักคิดนักปราด์คอยบ่งชี้นำสมญานามคือราชาสีอีสานผู้คนเรียกขานปามรุ่งบุญปัญญา สีขุนมูลสีมองชีร้องไห้นักต่อสู้วันไวหววภาผวาแต่คนหนึ่งจะยืนหยัดต่อสู้กาลเวลาคือบำรุงบุญปัญญาผู้ยิ่งยง